ถ้าทำอย่างนี้เสียเนี่ยจึงจะจะได้เห็นภาษาสดาบ้างในมโนโวิญ ญ, ญาณในมโนชฉวนะนั่นแหละที่เป็นกุศลเฉวนะนั่นแหละอ่าถ้าเราบอกดูก่อนมาคันธิยะตามีรูปที่มาเยินดียเย็นดีแล้วในรูปอันรูปได้บันเทิงแล้วเราจะเห็นตัวเองไหมว่าไปเฝ้าภาษาสดาไม่เห็นเลยลบชื่อรอกเพราะท่านบรรลุไปแล้วเหลือใครแต่เนี้ย เหลือเรายัางได้บรรลุก็ใส่ตัวเองลงไปเสียได้ไหมหมอกลับ <c oughs> ไปอ่านพระไตรปิฎกใหม่ถ้าอ่านอย่างนี้ถึงจะเข้าถึงบ้างเ <c oughs> บื้องต้นนี่เบื้องต้นนะแล้วต่อไปจะได้สำคัญหมายว่าพระศาสดากำลังประทับสอนเราอยู่เหมือนฟังธรรมเนี่ยนะฟังธรรมเนี่ยจะได้สำคัญว่าโอ้พระศาสดากำลังรพร่ำสอน ที่เป็นไปกับคำสอนอยู่ทําได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยนั่นจะเป็นไปเพื่อดับสโสกาบ ร, ริเทวะเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกขโทมานัทเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อกระทามปานิพาในแจ้งเนี่ยทางนี้ถึงจะเป็นสติปัฏฐานถ้าอย่างนี้การเห็นภาษาสดาอย่างนี้ถึงจะเป็นสติปัฏฐานนี่แหละเขาเรียกทัศนานุตริยะถ้าไม่เป็นไปลักษณะอย่างนี้จักไม่เป็นไปเพื่อเดินตามสติปัฏฐาน สมัชพระทานอิทิบาทอินทร์ศีรพร ะ, ระโพชงและมักแล้วก็จะไม่บรรลุญยณธรรมแล้วก็จะไม่ทําพระนิพพานให้แจ้งก็ไม่เรียกว่าฝึกไม่เรียกว่าคุ้มครองไม่เรียกว่ารักษาไม่เรียกว่ากําลังฝึกกําลังคุ้มครองกําลังรักษาจะไม่เรียกอย่างนี้ถ้าเดินไปอย่างนี้จะชัดชัดไหมอย่างเงี้ยก็ไปหัดถอดรหัสเหลือตัวเราเองใส่ไปที้จะได้ขัดเกลาเพราะท่านเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหม ภาษาสดาสอนเราเราต้องไปเฝ้าภาศาสดาไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อใช่ไหมจับชายชีวรของพระ อ, องค์อยู่พระ อ, องค์ก็บอกว่านั่นไม่ใช่แต่ฐาคตนี่นี่แปลว่าอะไรเอา้าทีนี้จะไปเฝ้ายมริคยวนจะไปเฝ้าภาษาสดาที่ประเทศอินเดียชัดหรือยังแต่เนี้ยไปเห็นที่ต้นสีมหาโพพระศาสดาไปเห็นที่ประทับของพระบรมศาสดาตัตสุนุตรสัมมาสัสมปอริญาณใช่ไหม พระศาสดาอนุญาตไว้อะไรสถานที่ะสูิสถานที่ตัดสรุสถานที่แสดงธรรมจักให้เปลยนไปสถานที่เสด็จดับขันเทรินิพพานเป็นต้นสถานที่พระศาสดาทรงใช้สอยทั้งสิน้นสถานที่เหล่านั้นจะเป็นาศาสดาของเธอหลังการล่วงไปเห็นเราเอาะเอะไรเอนี้ยไปแล้วเราจะเห็นพระศาสดาในฐานะทางสัตทินรียหม ถ้าสำคัญหมายว่าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วพระาศาสดาไปเห็นพระาศาสดาแบบเมื่อกี้พระธรรมของพระาศาสดาก็ไหลลาดลดกระแสใจอย่างต่อเนื่องนี่ได้เห็นบ้างแล้วนี่ไงเป้าหมายที่ไปเฝ้าคือตรงเนี้เพราะพระาศาสดาอนุญาตไว้ว่าเป็นาศาสดาทรงตรัสวันนี้เป็นาศาสดาของเธอ หลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมพระธรรมวินัยไงพระธรรมวินัยบอกว่าสถานที่ประชุมไงสถานที่ตัดสรุปสแสดงธรรมาจากและปรินิพพานเนี่ยจะเป็นาศาสดาของเธอต้องขยายอัฏฐะให้ชัดตัว น, นี้มันจะได้เห็นาศาสดาจริงๆเนอะไปจริงๆจะได้สําคัญหมายจริงๆว่าเวเฝ้าพระาศาสดานี่เลยก็เลยไปไปวุ่นเรื่องอื่นเลยตัวเนี้ย โอโหผ้าสีนี้ดีเถียงกันไปคุยกันมาขัดแย้งกันไม่เอาสีนี้ดีกว่าไปคนละเรื่องเลยเลยไม่ได้เฝ้าภาษาสดาทําไมไปอย่างนั้นเข้าไปนอบน้อมตั้งใจได้อย่างรักดาดาแต่เนี้ยตั้งใจไปกล่าวไปนอบน้อมภาษาสดาได้ไปเฝ้าไปเฝ้าภาษาสดาเพราะภาษาสดาบอกไว้ว่าภาษาสดาประทับรอเธอตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ย นี่ไปมองหาตานี่โอ๊ยต้นโพมาเลยใบโพจะล่วงมา <laughs> <c oughs> โอ๊ยพอล่วงมา ป, ป, ปุ๊บมันเป็นบุญแล้วเกิน <c oughs> พอมองเห็นนี่ยัง <c oughs> แต่เ <c oughs> นี้ยบางคนไปนั่งกรรมฐ า, านโอ้โหู <c oughs> นั่งอธิษฐานอะไรเนี่ยผมนั่งอรอใบโพได้มาใบนี้เอามาก็มา อามาแจกโยมเนี่ยอดมานั่งกรรมาฐานมาได้ใบโพมาคนรอใบโพจริงๆก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ควรเคารพนะควรเคารพใช่ไหมควรเคารพแต่ให้เห็นด้วยตาปัญญาเห็นด้วยสัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาตานั้นต่ฐาคตฝึกแล้วอย่างนี้ถือว่าฝึกกี่อย่างถ้าฝึกไปจน ช, ชนะกี่เลยการทัศนานุตริยาเห็นบรรลุ เห็นพัะธาโคตเห็นสาวกของพัะถาโคตนั่นแหละสวนานุตริยะฟังแล้วจะเป็นไปเพื่อการนั่นแหละเพื่อการก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อการดับศูน์ไปแห่งทุกขและโทมนัสเพื่อบรรลุ ย, ยยธรรมเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นทัศนานุตริยะทุกข้อเป็นสติปัฏฐานส เป็นสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมเป็นเอกายนามัคเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะเป็นทางดําเนินสู่การพ้นทุกข์นี่ไปเห็นนี่คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระตถาคตสาวกของพระตถาคตเนี่ยดีกว่าการไปเห็นช้างเห็นม้าเห็นรถเห็นแก้วมณีใช่ไหมพอเห็นอย่างนั้นไม่ประเสริฐเลยช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณี นางแก้วประเสริฐไหมไม่ประเสริฐแต่เห็นพัตนาคตคือเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตรงนี้แหละนี่ชื่อว่าเป็นการเห็นพัตนาคตแล้วตรงนี้ก็คือตานั้นตถาคตฝึกแล้วหมอเข้าใจคําฝึกอย่างเดี๋ยวนี้ฝึกแปลว่าอะไรทาศีลสมาธิปัญญาทําสติปัฏฐานสี่สมมาปัฏฐานสี่อธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละงหา้าโพชฌงเจ็ อริยมรรคมีองค์8โพธิปักขียธรรม37ประชุมในโลกุตระมรรคแล้วในอรรถมรรคเรียบร้อยนี่ฝึกแล้วฉะนั้นถ้าฝึกกําลังฝึกนะถ้าหมอบอกว่ากําลังฝึกนะแปลว่ากําลังเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นด้วยต้องต้องเจริญนะอย่างนี้ถึงเรียกกาลังฝึกเอาใครเจริญสติปัฏฐานกําลังเจริญส ม, มปรปทานอยู่นั่นชื่อว่ากําลังฝึกถ้าใครยังไม่เคยเจริญสติปัฏฐานยังเจริญไม่ถูกเลยเขาวักยังไม่ฝึกนะ ยังไม่ยังไม่ใช่กำลังฝึกนะเพียงมาฟังเพื่อจะไปฝึก<ม>เพื่อจะไปฝึกหรือในชั้นของศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็นในยะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราบอกว่ากำลังฝึกเนี่ยฝึกแบบไหนฝึกแบบลุ่มลุ่ ม, มดอนด อ, นดอนหรือฝึกแบบมนสิการแบบแบบต่อเนื่องเอาไงลุ่มลุมดอนด อ, นดอนหรือแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องเลยโอ้โหฟังแล้วชื่นใจ ต่อเ น, นื่องเลยไม่เว้นยาวมไหมตัวนี้ดูตัวนี้ใช่ไหมดูตรงนี้เว้นยาวมั้ยบายบงคนเล่นเว้นเป็นวันๆนะบางคนย า, ยนยาวมั้ยเว้นยาวมั้ยอะไรเป็นปัจจัยทำให้เราไม่ฝึกอย่างต่อเ น, นื่อง เพราะอะไรมีใครเอาปืนจี้เราเข้าไว้ไม่ไม่เห็นบอกอย่าทำอย่าทำมีไห ม, ไมอตรงนี้เนี่ยพอโทษกิเลสแล้วเราเลยไม่มีความผิด <c oughs> <c oughs> โอ้โหตรงเนี้ยเมื่อเช้านี้ยังคุยยังยังคุยโยมแต่านี่นบอกก็ ยอมยังเป็นบุตุชนอยู่ก็ยังมีโกรธบ้างมาก็บอกอย่าไปพูดบอยเขาว่าอกบุตรชนเนี่ยเป็นอยู่แล้วไอ น, นี้เป็นมันเป็นข้อพูดนะว่ามันทำให้เราไม่ไม่ควนขวายเราบอกโทษของการเป็นบุตุชนเนี่ยเราจะต้องออกจากความเป็นบุตุชนก็สู่อริยชนได้ใช่ไชถ้าออกไม่ได้เราจะเสียหายเราจะวิบัติเพราะความเป็นบุตุชนนี่แหละ ตรงนี้สถาคตฝึกแล้วคุ้มครองแล้วคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองแล้วก็คือว่าไม่ให้ไม่ให้บาปเข้ามาในกระแสขันของท่านแล้วเมืองของท่านรักษาคุ้มครองอย่างดีแน่นหนาไิเศลยแล้วของเราทางทวารตาเป็นยังไงคุ้มครองดีไหมประตูเนี้ยฉลาดในในวิถีจิตที่มันเข้าออกทางจากขุทวารทางทวารตาไหม มีความฉลาดทุกทุกเรื่องไหมรู้กระบวนการการเกิดขึ้นของปัญจทวาราวชนะจักคุญยานสมปติชนะสันติรณะวณัวนะชาวนะตถาลำนะ้าผวังลงสู่มโนทวารเนี่ยนั้นที่จะไหลลื่นเป็นไ ป, ไปตามลำดับเนี่ยฉลาดเส้นทางนี้ดีไหมคุ้มครองดีไหมว่าจะไม่มีโจรผู้ร้ายวิ่งผ่านเข้ามาทางประตูนี้คุ้มครองหรือ ย, ยังอย่างอ่านี่ประตูนี้พลาดไปแล้วนะ เอาประตูที่2 อ, อทางโสตทวารนาะพระวังพระวังก็จะน้าไล่มาตามลำดับพระวังคู่ไปเฉทะปัญจทวารโสตวิญญาณสัมปติชนะสันติระวเทปนาโชนะตะาตตาลำนะแล้วก็ลงสู่มนนทวารแล้วทวาร น, นี้เป็นยังไงคุ้มครองไหมโอไม่อยากไล่ไปอีกแล้วทั้งนั้นมโนทวารก็ยิ่งใหญ่แล้วัง้งนี้ตรงนี้ไงคำว่าคุ้มครองแปลว่าก คอยตรวจสอบคอยคอยตรวจสอบบอกว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยจักคุญยานต้องเข้าอยู่แล้วใช่ปัญจทวารลวชนะจักรคุญยานสัมปติชนะสันติระนาวโอษฐระาวนะไอตรงนี้ตรงนี้ยตรงนี้ตัวชวนะเนี่ยถ้าอากุศลจะเข้ามาบอกไม่ได้ไม่ได้ปิดมหมบอกถ้ากุศลได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าคุณออกไปก่อนเมืองนี้ไม่ต้อนรับ ทำแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่าถ้าค้มครองถ้าฝึกกำลังฝึกต้องทำแบบนี้ใช่ไหมก็คือไปใครควรพิจารณาก็วิจัยจนชัดเจนเบ็ดเสร็จแล้วแล้วก็เฟ้นให้กุศลเดินต่อเนื่องอันนี้คือการฝึกแล้วอย่างเงี้ยฝึกแล้วหมอก็ไปตรวจสอบาถ้าฝึกถ้ากำลังฝึกจริงๆ ทวารไหนพลาดบ่อยที่สุดที่ปล่อยให้บาปกินมากที่สุด โ, โ, โอโ้โหเล่นทวารหลักเลยเลยถ้า <c oughs> <c oughs> ง, งั้นก็หมดแล้วมัง้งถ้างั้นนะ่ะตาโหจะโอกล่นกายถ้าไม่ต้องพูดแล้ว <c oughs> แล้วแล้วไหนอะวิปัสสนาญาณเดินน่ะ <c oughs> อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงชั้นสันตติคณะนะ ไม่ต้องไปสืบค้นสมูหาคณะแต่ละขนาดนะแล้วก็ไม่ต้องไปสืบค้นกิจจากคณะกิจของยี่มะกิจของจักขูวิญญาณเป็นยังไงสัมปติชนะสันติรณนะวัธรมนะเป็นต้นเหล่านี้ยเขามีการประสานเชื่อมโยงกันยังไงเบียดเสด็จอย่างเงี้ยเขาทํากิจยังไงรูปธรรมและนามธรรมา ท, ทั้งหลายเหล่านี้ยตรงเนี้พระต ถ, ถาคต ร, รักษาแล้วสํารวมแล้วเป็นชื่อของการป้องกันบาปหมดเลยนะีย ตถาคทย่อมแสดงธรรมเพื่อการสํารวมตาสํารวมหูจมูกเล่นกายใจมาคันธิยะคําที่ท่านกล่าวว่าพระสัมนโคโดมเป็นผู้ทําลายความเจริญ น, นั้นท่านคงหมายเอาข้อความนี้ละสินอวะงั้มาคันธิยะก็บอกกับท่านพระโคโดมคําที่ข้าพเจ้ากล่าวพระโคโดมเป็นผู้ทําลายความเจริญ น, นี้ข้าพเจ้าหมายเอาความข้อนี้แหละข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะคํานี้สอดคล้องกับสูตรของเรา ภาลทวาช้ามาคัียาโหเป็นที่มายินดีจะหมูกมีกลิ่นเป็นที่มายินดีลิ้นมีรถเป็นที่มายินดีในรถอรถจะให้บันเทิงแล้วยินดีตถาคตฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาสํารวมแล้วอันหนึ่งตถาคตก็แสดงธรรมเพื่อจะสํารวมสิ่งเนี้ยนะสํารวมทวารโหจมูกเล่นกายและใจเป็นต้นเหรอเนี้ยมาคณียาคาที่ท่านกล่าวจะสมควรเนี้ยเหรอท่านก็บอกว่านั่นแหละ ภาคโคดมผู้เจริญเป็นผู้ทำลายความเจริญนี้ข้าพเจ้าหมายเอาความข้อนี้สอดคล้องกับสูตรของท่านแล้วพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงโพธัพะและก็กล่าวถึงในเรื่องของทางใจเป็นต้นด้วยนะทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยนะและพระพุทธเจ้าก็กล่าวบอกว่ามาคันธิยะเมื่อยังคลองเรือนอยู่ในการก่อนเราเองก็เป็นผู้อิ่มหนำเพียบพร้อมไปด้วยกามาคุณหา้าบําเลอด้รูป ที่จะพึงรู้แจ้งเดตาที่น้าชอบใจหน่าไข่น้าชอบใจน่ารักชักให้ไข้พาใจให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งเดือหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งเดือจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งเดือลิ้นแล้วก็ผลพะทภะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจที่น่าปรารถนาน่าไข่น่ารักหน้าชอบใจชักพาให้ไข้พาใจให้กำหนัดมาคันยะเรานั้นมีประสาทสามฤดูนี่พุระเจ้ากล่าวถึงล่านี่ไงกามคุณเธอมีเช่นเราไหม เรื่องเรื่องว่าเรื่องการเจริญ ja ตาหัวใจบวกเล่นกายใจเนี่ยเราจะชักอดีตให้เธอฟังนีก็เล่าอดีตเลยประสาทเป็นฤดูฝนประสาทเป็นฤดูหนาวละประสาทในฤดูร้อนน่ยคือพระบรมศาสดามีนางสนมกำนันนี่ยดูแลตั้งห 0,000 นาง4ี่0 0ื่นางเห็นไหมเรานั้นบําเลอด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีมไม่มีบุรุษเจือปนเลยในประสาทนั้นมีฤดู ฝนตลอดสเดือนไม่ได้ลงจากพระศาสเลยกระวชื่นชมอย่างที่เธอเธอปฏิบัตินี่แหละสมัยต่อมาเรานั้นน่ะรู้ความเกิดรู้ความดับรู้คุณแล้วก็รู้โทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากกามนั้นใช่ไหมพระศาสดารู้รู้เหตุเกิดของกามอะ่ะรู้เหตุเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจอะ่ะ อาทีรู้เหตุเกิดของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์แล้ว ร, รู้ด้วยเหตุที่จะดับตาหูจมูกลิ้นกายใจอะรู้อะไรรู้อัศาธาเห็นอัศาธาของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเห็นอาทีนวาวาเห็นโทษของตาหูสมุกลิ้นกายใจแล้วก็รู้นิสสนะนิสสนะที่เป็นเหตุต ถ, ถาคตก็รู้นัทนิสสนะส่วนผลก็รู้ อะไรคือนิสฐานที่ส่วนเหตุสติปัฏฐานไงตถาคตรู้สมปัติทานอิธิบาทอินทรพราพโธชงมรคเนี่ยอันนี้คือนิสฐาะที่เป็นเหตุนิสฐานที่เป็นเหตุส่วนนิสฐานที่เป็นผลคือพระนิพพานไง อ, อย่างเงี้ยนะตถาลดตถาคตรู้เหตุก็รู้ผลคื อ, อบายเป็นเครื่องสลัดออกจากการมนั้นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ก็เลยละตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระในธรรมอารมณ์แล้วก็ละตัณหาในตาหูจมูกลิ้นกายใจบรรเทาความเร้อร้อนที่เกิดเพราะป่าเพราะปารบกามแล้วเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดความยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจในกามนะถูกกามมาตัณหาย่ำยีอยู่ ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะการปรารบกามแผดเผาอยู่ท่านเห็นเป็นไฟไหมโยอมแก้เห็นเป็นไฟเสพกามอยู่เสพแปลว่าบริโภคกามอยู่เรานั้นย่อมไม่ยินดีต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราเพราะเรายินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกาม แล้วเราเว้นจากบาปอากุศลธรรมอลามกทั้งหลายจึงไม่เถเยทยานต่อธรรมอเลวเหล่านั้นและก็ไม่ยินดีในธรรมอเลวนั้นเลยเอาละสิแตนี่ไหมภาษาสดาแยกออกว่าธรรมะไหนเลวธรรมะไหนประณีตละเอียดเนี่ยอย่างเรารู้ไหมโรภาอเลวเป็นธรรมที่เลวใช่ไหมราคาโทสะโมหะใช่ไหมมานาทิฐิวิจิกิจชายหิริกานุตปาอุทะจานี่เป็นธรรมเลวนะ บาปอกุศล ธ, ธรรมอลามกเป็นธรรมเลวมันก็อาศัยเกลือกกลั่วอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ทั้งหลายเกลือกกั่วอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายฉะนั้นกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาจากธรรมอเลวนะมีธรรมเลวหุ้มห่ออยู่มีธรรมเลวเป็นเป็นปัจจัยแวดล้อมอยู่ก็ทําให้สัตว์ทั้งหลายปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อได้ตาหัวจมูกเล่นกายใจและสัตว์ก็ชอบนักที่จะไปยินดีตาหัวจมูกเล่นกายใจใช่ก็ยังมามัวเ ม, มาเพิดเพลินเอางี้ทีน้มิ tha ที่ปกปิดกระแสขันเราบ่อยๆน่าเพิดเพลินไหมไม่จริงหรอกท้างั้นไม่เสพใช่ไหมนี่เราเสพทีน้มิ tha นะเพราะมันมีรสชาติอย่าไปบอกไม่มีรสชาติ แล้วหลังระหว่างทนฟังว่าทำเนี่ยมันทุกเงี้แต่ถ้านั่งหลับแล้วมีความสุขมันมีรสชาตินะอย่าลืมกิเลสทุกตัวมีรสชาติมันมีกลิ่นไอของกิเลสเขาเรียกกลิ่นคราวของเขามีทั้งทุกตัวมีหมดนะกามฉันทาก็มีพยาบาทก็มีถีนมิทะอุทธจักกุกุจาวิจิกิจฉาอวิชาอคุโสรธรรมอลามกทั้งหมดนี่นะมีกลิ่นคราวโชยออกมาหมดนั้นพวกเราจึงว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้เดินโชยกลิ่น อย่างเราเนี่ยผู้เดินโชยกลิ่นกิเลสให้ฟุ้งไปอยู่แต่เพราะเพราะเราติดกลิ่นกิเลสเรียบร้อยไปแล้วตรงนี้พระศ า, าสดาบอกว่าไม่ยินดีในธรรมเลวนั้นมาคันธิยะเปรียบเสมือนขณาบดีบุตรของขณาบดีเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคามากเอื้อิอ่มเพียบพร้อมด้วยกามงคลห้านะบำเลอตนอยู่นะ อันจะพึงรู้แจ้งโดยตาที่น่าปราถนาหน้าไข่หน้าชอบใจชักพาให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เป็นหน้าใข่หน้ารักน้าพาใจใกำหนัดเขาประพฤต์กายะกายะสุจริตว่าจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อตายแล้วก็เข้าถึงสุคติใช่ไหมหลกสวรรค์พอเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงเนาะเทพประุตนั้นก็มีนางฟ้าอับอับอับสอนเนี่ยแวดล้อมในนันทาวัน นี่ยกยกใครเนี่ยยกเท้าสกะาว่า ง, งั้นเอบอบิมเรียบพร้อมด้วยกามาคุณนะว่า ง, งั้นเท้าสก่าเป็นต้นเนี่ยด้วยกามคุณหเป็นทิฟบำเลออยู่ในดาวดึงสเทวโลกนั้นเทพบุตรนั้นได้เห็นขลังบดีบุตรของขลังบดีพวกเอบอบิมเรียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเลอตนอยู่มาคันธิยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นเช่นไหนเทพบุตรนั้นอันหมูนางอับ อ, อับสอนแวดล้อมนันทวันเอบอบิมเพียบพร้อมด้วยกามาคุณเหล่านั้นนะ่ย ที่บำเลอตอนอยู่นะีจะเทเยอทยานต่อกุฎหอบดีไหมต่อบุตรของพกุฎหอบดีไหมหรือต่อกามคุณของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมาหากามของมนุษย์บ้างหรือไม่ถ้าถามบอกว่าถ้าใครได้ได้กามคุณที่ประนีตระดับกามคุณในชั้นของดาวบนดึงแล้วเนี่ยมีไหมที่เขาจะมายินดีกามคุณของมนุษย์ทําไมไม่ยินดีพอรสชาติต่างกันรสชาติความสุข ที่จะแทมจะเป็นอารามนะปัจัยแก็กิเลตก็ต่างกันมากบอกไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคโดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามอันเป็นทิศนั้นนา่าไข้ยิ่งกว่าประณีตกว่ากว่ากามของมนุษย์อันนี้ชัดเลยใช่ไหมมาคันธิยะก็เข้าใจมาคันธิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันพอครองเรือนในการก่อนก็เลยเปรียบเทียบไปดูว่าก็เป็นผู้เอืบอิ่มเพียอพร้อมในกามบคุณนั่นแหละทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส นั่นแหละชักให้ไล่พาใจให้กำหนัดแต่ต่อมานะีสมัยต่อมาเรารู้ความเกิดรู้ความดับเอาอะไรเป็นปัจจัยให้กรมาคุณเหล่านี้เกิดทําให้ตาหัวจมูกเล่นกายใจเกิดเอาวิชาตันหากกรรมเป็นต้นใช่ไหมอะไรดับถ้าดับตาหัวจมูกเล่นกายใจได้ทํามาตาหัวจมูกเล่นกายใจเนี่ยทำให้คุณเกิดได้ไหมได้ก็ทําให้โลภะเกิดไงทําให้สุขสมอนัดเกิดไงแล้วโทษของเขาเราไม่เที่ยงไง เป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่งามจริงไงพิจารณาวิจัยดูแล้วเป็นหัวฝีเป็นลูกศรด้วยอุบายเป็นเครื่องสลัดออกพระองค์ก็รู้ถ้ารู้เห็นไหมรู้สามมุมเนี่ยออกได้ใช่ไรู้รู้เหตุเกิดแล้วก็รู้เหตุ ด, ดับนะรู้ความดับแล้วก็รู้คุณรู้โทษแล้วรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเนี่ยพอเห็นเบ็ดเสร็จติ่งเนี่ยพระองค์ก็ละกา ม, มาตัญหา ละตันหาในการบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปลารบกามเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เหล่านั้นเห็นหมู่สัตว์ที่ยังไม่ปราศจากความกําหนัดถูกการละตันหาย่ําเยีอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดจากการปลารบกามในแผดเผาอยู่เสพกรรมอยู่นะเราก็ไม่ยินดีในสัตว์นั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกา ม, มาคุณ พระเจ้ยายินดีอะไรอ่ะยินดีอนุปาธาบริณิพานยินดีในพระนิพานแล้วแล้ว ก, า, วการยินดีของพระศาสาดานั้นเน่ยพ้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขอันเป็นทิพย์เห็นไหมบอกว่าล่วงเลยความสุขที่เป็นของเทวดาด้วยจึงไม่ทะเยอทถยานต่อธรรมะเลวและไม่ยินดีในธรรมะเลวนั้นด้วยนี่พระองค์ก็เปรียบเทียบเลยตรงนี้พระศาสาดาก็ตรัสเลยเปรียบเลยแตเนี้ย บอกคนบริโภคคามกามก็คือคนเป็นโรคเรือดคนเป็นโรคเลือ้อดมีตัวเป็นแผลมีตัวสุกตอนนั้นหมู่หนอนก็บ่อนทอนใช้ยอยู่บุรุษก็กาวปากแผลด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุมทานเพลิงมิตรอมาดยาสายโลหิตของเขาก็ตั้งแพทย์ผู้ชำนาญผ่าตัดรักษาแพทย์ที่ชำนาญผ่าตัดรักษากระทํายารักษาแล้วบุรุษนั้นอาศัย ยาแล้วนะหายจากโรคเลือนเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขมีเสรีภาพมีอํานาจในตนเองแล้วเนี่ยไปไหนไปไหนได้ตามความต้องการตามความพอใจบุรุษนั้นเห็นบุตรโรคเลือนคนอื่นมีตัวเป็นแผลเต็มไปหมดนี่นะตัวก็สุขถูกมูลนอนบ่อนอยู่กาวปากแผลด้วยเล็บอยู่ตลอดเวลาไปไหนคันกระเยอกระเยือ ย, อ, ย อ, อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะย่างกายในที่ร้อนด้วยหลุมถ่านเพลิงมาคันที่ยะ ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนบุรุษนั้นจะยินดีต่อบุรุษโรคเลือนคนนั้นไหมว่างั้นแล้วจะยินดีต่อหลุมฐานเพิงหรือไม่หรือต้องการกลับไปใช้ยาอย่างเก่าบ้างหรือไม่โบอกโอ้ไม่เป็นแล้วใช่ไหมนี่ทำฟิจารณาอย่างนี้นะพระบรมศาสดาเนี่ยเปรียบเทียบเปรียบเทียบบอกว่าสมัยที่พระบรมศาสดาเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยนะ ตอนนั้นนะพระองค์มีปราสาสตสามฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนแล้วก็มีนางสนมกำนันทั้ง4ี่0มนาง 50,000 50, 50, ่น 50, นางแวดล้อมแต่ตอนนั้นตถาคตก็คือบุรุษโลกเรือนใช่คนที่เป็นโรคโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยเยอะเนี่ยนะก็ต้องอาศัยเตาเนี่ยเตาเผืงเนี่ยนะหขึัน้คือหนึ่งเตา นั้นพระพธทธศัตน์ของเราเนี่ยมีเตาอยู่สี่หมื่นเตาเงี้ยนี่ก็เปรียบเทียบไปเห็นเลยเห็นไ้ยขนาดใช้วิธีแบบนี้ยังไม่หายคันเลยต้องไปย่างตลอดเวลาใช่ไ้ยไ ป, ไปอังไปอังตลอดเวลาทีนี้ในขณะที่อังอยู่นั้นน่ะไอ้ตัวหนอนมันก็ชอนช้เข้าไปข้างในพอชอนเข้าไปข้างในเบ็ยดเสร็จแล้วไอ้ตัวหนองที่มันอยู่ในแผล พุพองตามตัวเนี่ยมันก็ไหลซึมออกมาใช่ไหมเพราะนอนมันเริ่มกัดกินเนื้อข้างในด้วยมันหนีความร้อนด้วยก็เกิดคันทีนี่ยคันก็ใช้เล็บเกาอยู่ตลอดเวลาอันนี้บอกบอกถึงอะไรว่ากามาคุณเนี่ยบริโภคไงก็ไม่อิ่มแล้วมันก็จะสละนี้ไปก็จะบริโภคกันใหม่ไปเรื่อยแล้วตอนนี้ที่ผ่านมาในสังสารวัตตอนนี้เราใช้เตาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอพวกเราเนี่ยที่เป็นโลกเลือนกันเนี่ย ทีนี้ท่านก็พูดถึงในเรื่องของพูดถึงในเรื่องของเท้าส ก, กะท่านบอกว่าคํานี้เปรียบเทียบการที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่กลางปราส า, าทเป็นดุลการที่บุรุษโลกเลื้ยการวัตถุอันหนึ่งก็เปรียบเสมือนหนึ่งเตาการวัตถุสองก็เท่ากาับเตาสองเตาเนี่ยนะทีนี้ถ้าถามว่าเท้าส ก, กะเท้าส ก, กะในดาวดึงอะมีเตาอยู่สามโกรดครึ่ง มีเตาเตาเตาหลุมฐานเพิงเนี่ยเพราะท้าสกามีนางสนมเท่าไหร่มีเท่าไหร่สามสิบหล้านมีนางสนมแวดล้อม35บห้าล้านหนึ่งนางสนมคือหนึ่งเตาหนึ่งนางสนมคือหนึ่งเตานั่นแหละความเป็นบุรุษโลกเรือนในยุคที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยะตอนนั้นท่านเลยเปรียบเทียบเลยนี่ไง แล้วอิ่มไหมขนาดเตาได้เตาที่เป็นทิปก็ไม่อิ่มแล้วจะไปยินดีทําไมกามาคุณใช่ไหมไอตอนนี้เราเป็นโรคเลือนกันอยู่ไหมเป็ น, ปนแล้วตอนนี้ต้องใช้เตาอยู่ป่ะใช้อยู่เลยถ้าใช่ไหมการการอังเนี่ยอังทางทวารตาก็ได้ใช่ไหมทวารหูได้ไหมทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจใช่ไหม ถ้าออกมานานๆไม่ได้กลับไปผิงเตาเพลิงอ่ะ น, นั้นเป็นยังไงเดือดร้อนไหมเดี๋ยววันนี้ต้องกลับไปผิงใหม่ไหมเ <laughs> มื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมในวานนี้ก็เอมไม่ได้ทําไมไม่มารักษาเข้าใจา ย, ยังทําไมไม่มารักษาใช่ไหมคือทําไมไม่มาผิงอะ่ะทําไมไม่มาย่างเตาเพลิงใช่ไหม เขบอกว่าพ อ, อดีพักอาจารย์ใช่ไหมยอย่างนั้นหรือเ่าดูแลอาจารย์อยู่ใช่ไหมต่อรองไวใช่ไหมบอกใจเย็นเย็นอย่ากโกรธเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปไปรักษาต้องบอกอยังไงวิธีบอก <c oughs> ต้องบอกว่าวิธีนั้นรักษาไม่หายไม่หายแล้ว เพราะว่าในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยเราตาบอดเราใช้วิธีคิดว่ารักษาแบบนี้มันจะหายคันมันจะหายจากโรคเลือนแต่ที่ไหนได้ยิ่งกำเริบ ม, มัมยิ่งกำเริบเอ็มมองออกไหมเนี่ยเอาออกอยังไงอธิบายฟังหน่อยที่นี่ออกอยังไงออกยังไงและตอนนี้เป็นโรคเลือนอยู่หรือเปล่าเป็นหรือเปล่า เป็นลเลยไม่พูดเบาจังไม่กล้าบอกใครมากเลยหมอเป็นเยอะปะเป็นโรคเลือนเยอะปะเป็นไม่เป็นเป็นเย <c oughs> ู่โอ้ต้องตัดใจพูดเลย <c oughs> เป็นโรคเลือนเออแปลกดีตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยการย การเสพวัตถุกรรมก็เท่ากับเอาเล็บเกาแผลที่ไปลนอยู่บนเตาไฟการที่พระโพธิสัตว์เห็นโทษในกา ร, รมเห็นอ น, นิสงค์ของเนคขมมะและเสด็จออกบวชเป็นพุทธเจ้าในการที่ตาตาคตใช้เวลาล่วงเลยไปในความยินดีในสมาบัติมีฌานสมาบัติก็เท่าการที่บุรุษโลกเลื้อยนน่ะอาศัยยาแล้วหายจากโรค ก, การที่พระตาตาคตใช้เวลาล่วงเลยด้วยความยินดีนั้นน่ะไม่ทรงปรารถนาด้วยความยินดีในชนเลวแล้ว เท่ากับการที่เป็นบุรุษนั้นโรคเลือดนนะ่ยคือเท่ากับการที่เห็นบุรุษโรคเลือนคนอื่นนะ่ยนะไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างบุรุษนั้นท่านมีร่างกายถูกโรค ก, กำจัดเสรแล้วตรงนี้ก็คือว่ากายประสาทที่โรคเลือนกำจัดแล้วนะ่ยมีอินทรีย์กามกำจัดแล้วเป็นต้นมีปัญญาอันโทษกำจัดแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะปัญญาปัญญินทรีย์ถูกกำจัดจึงกลับมีความสําคัญผิดในกามทั้งหลายที่มีสัมผัสเ ป, เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เราเนี่ยจริงสัมผัสทางทวารตาหัวใจมุขลิ้นกายใจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมเนีเกี่ยวข้องการมกุณรน่ยจริ ง, รงๆเขาเป็นทุกขะสัมผัสเพราะมันเป็นที่ตั้งของชาติที่ทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มาแล้ะทุกข์ใช่ไหมแต่เราสําคัญว่าเป็นสุ ข, ขสัมผัสคือสัมผัสแล้วทําให้เกิดสุขเนี่ยเช่นได้เห็นรูปสวยๆเนี่ยชื่นใจไหมได้ฟังเสียงเพราะๆเะนี่ยชื่นใจนี่เขาเรียกทุกขะสัมผัส สัมผัสที่เป็นปัจัยให้ได้ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นปัจัยเกิดความโศกความล่ามลายลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจและความรับแค้นใจทำให้สัตว์ต้องจมเกลือกด้วอยู่ในวัฏฏะแล้วก็จมในอบายภูมิทั้งหลายก็เพราะสัมผัสกับนี่แหละกามนี่แหละนี่เป็นอย่างนี้ไปเข้าใจว่าสัมผัสที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เป็ของที่ไม่สะอาดใช่ไหมแผลนะ่ะไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นและเน่าอยู่แล้วแต่บาดนี้ยิ่งไม่สะอาดยิ่งมีกลิ่นเหม็นและยิ่งเน่าเสียอีกเมื่อลนไฟและเกาแผลหนอนทั้งหลายก็จะชอนชัลึกลงไปเลือดและหนองที่น่าเกลียดก็จะไหลออกจากแผลนั้นท่านจะไปมีความน่าพอใจแม้สักน้อยหนึ่งไม่มีเลย ความที่ไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอย่างยิ่งใช่ไหมก็หมายความบอกว่าการได้รั์ก็ดีการได้ยศก็ดีการได้บุตรการได้ภรรยาต่างๆเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะอันนี้ชื่อว่าเป็นการได้อะไรเป็นการได้เตาเป็นการได้เตาของบุรุษโลกเลือนอ่ะตอนนี้มีเตาเยอะไหม <laughs> มีเตาเตาเยอะเลยตอนเนี้ยใช่ไหมมีเตาเยอะเลย มีหลายจังหวัดแล้วได้ข่าวบางคนมีหลายจังหวัดมีเพิ่มเตาไปเรื่อยๆเๆๆเพิ่มเตาไปเนี่ยเพิ่มเต่าเอาทาไมต้องเพิ่มมาเยอะมาก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ทีนี้พระองค์ก็สอนไงเดี๋ยวต่อไปในนิสูตรนี้พระองค์จะสอนเอ้ตอนนี้พักกันก่อนดีเลยเวลาวันนั้นแล้วมามองแล้วมองอีก